ทีมนี้มาจากไหนกันเคยมามั้ยใครแนะนำมาล่ะแล้อเอานังฟือมาจากไหนนะ <c oughs> กันเขียนไว้ในโลกทิพย์เขียไม่นานแล้วนะเคยฝึกมาจากไหนกัน ดีแต่ว่าคือสใจว่างจะต้องฝึแบบมือฝึมฝ่ยคือจะต้องฝึกให้รู้สึกตัวให้เป็นซะก่อนนะคือก่อนที่เราจะลงมือเจริญสติปัฏฐาน ตามรู้กายตามรู้ใจเราก็มีเครื่องมือคือเราต้องรู้ตัวเป็นรู้การจิตที่รู้สึกตัวก็คือจิตที่มีสติมีสัมมาสมาธิคือถ้าจิตของเรารู้สึกตัวไม่ได้จิตของเรายังไหลไปยังหลงไปไม่ตั้งมั่นเราจะเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจไม่ได้เคยเรียนอภิธรรมบ้างไหม อะไรนะอ๋อมันก็แผนที่ฉบับหนึ่งเรียนแผนที่ละเอียดเราไม่ยอมเดินก็ไปไหนไม่ได้คือจิตก่อนที่เราจะเจริญสติเราต้องมีสติซะก่อนคล้ายๆเราจะปลูกข้าวเราจะทำนาเราก็ต้องมีเม็ดข้าวซะก่อน ถ้าเรายังไม่มีตัวสติไม่มีสัมมาส ม, มาธิขาดความรู้สึกตัวเรายังจเจริญสติปัฏฐานไม่ได้นี้ทำยังไงเราจะเกิดความรู้สึกตัวหะเกิดสติขึ้นมาหน้าที่ของเราเนี่ยคอยสังเกตตรงที่จิตของเราเนี่ยหลงไปจิตของเราชอบหลงชอบเผลอเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจ อย่างเวลาเราเห็นคนเดินมาเนี่ยเราไปดูเขาแล้วเราลืมตัวเราเองนี่เรียกว่าหลงดูได้ยินเสียงสมมติได้ยินเสียงอาตมาได้ยินเสียงนกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ฟังเสียงลืมตัวเองนี่หลงฟังขณะที่นั่งเฉยๆใจไปคิดใจไปคิดเนี่อรู้เรื่องที่คิดแต่ไม่รู้ว่ากําลังคิดอยู่นี่หลงคิด ครูบาอาจารย์วัดตาบางทีท่านเริ่มจากตรงนี้อย่างลงพู่ดูลจะสอนบอกอยาส่งจิตออกนอกคําว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยแปลว่าอย่าหลงไปทางทวารทั้งหกตาเห็นรูปอย่าหลงรูปหูได้ยินเสียงอย่าหลงไปกับเสียงใจคิดนึกปรุงแต่งอย่าหลงไปในความคิดนึกปรุงแต่งถ้าเราไม่หลงไปเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ย เราก็จะสามารถรู้กายรู้ใจได้ราภิธ ร, รมเขาถึงสอนบอกว่าต้องรู้อารมณ์ปรมัติตรู้กายรู้ใจได้จริงๆไม่ใช่เอาความคิดเข้าไปแทรกไม่ใช่เอาการเพ่งเข้าไปใส่มันต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเราถึงจะรู้กายรู้ใจได้นี้การจะเรียนให้เกิดความรู้สึกตัวนี่นะเข้าใจยากนิดหนึ่งในโลกนี้ใครๆก็คิดว่าตัวเองรู้สึกตัวแล้วทั้งนั้น่ะ ถ้าไม่รู้สึกตัวองเรียนหนังสือไม่ได้ทํางานไม่ได้ขับรถไม่ได้ทุกคนรู้ว่าตัวเองรู้สึกตัวแท้จริงความรู้สึกตัวนั้นยังไม่ใช่ตัวสัมมาสติเปนสติอย่างโลกโลกสติที่ใช้ชีวิตอย่างโลกโลกนะนกตาอะไรเขาก็มีอย่างนั้นน่ะเขาบินถูกทิศทางไม่หลงไปทางอื่นนะี่เขาก็มีนี่ตัวสัมมาสติแท้แท้เนี่ย ตัวจะรู้สึกตัวจริงๆมีสัมมาสมาธิประกอบอยู่ด้วยกันนะคือการที่เราต้องตื่นขึ้นมาทั้งกายทั้งใจปกติเราจะตื่นแต่ร่างกายนะใจเรานั่งฝันทั้งวันคือเราไปหลงอยู่ในความคิดเคยสังเกตไหมใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยเมอ่อนะเนี่ยคือขาดสติวันหนึ่งใจลอยเยอะไหมเหมื่อเยอะไหมเวลาปฏิบัติธรรมยังนั่งเมื่ออีก เช่นกำหนดลมหายใจก็เหม่อไปที่ลมหายใจกำหนดทองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องไปนั่งเพ่งท้องอยู่ถ้านั่งเพ่งท้องก็คือไม่เห็นสภาว ะ, ะก็เป็นสมถะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราไปรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปมันไหลไปทางสวรร์ทั้งหกปกติเราจะไหลไปทางใจมากที่สุด เ, เห็นไหมเรานั่งใจลอยลอย ไอ้ลอยนี่เป็นความหลงฝึกคิดนะความหลงระดับรองลงมาเนี่ยเราคิดคิดแล้วเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราก็ลืมตัวเอ ง, งเั็นเป็นไม่เวลาคิดเนี่ยเรารู้แต่เรื่องที่เราคิดเราลืมกายลืมใจของตัวเองนี่เรามีวิธีสังเกตง่ายๆเห็นไหมเราขยับเนี่ยเห็เราขยับไปตามความเคยชินเราลืมตัวเรานึกออกไหม เหมือนกับหลดเผลอไปแล้วเราไหวๆตัวไปงั้นเราลืมเนี่ยเรียกว่าเราเผลอไปแล้วเราขาดสติการปฏิบัติธรรมคือความรู้สึกตัวรู้สึกเอาไหมพอเรารู้สึกตัวได้เราก็จะรู้กายรู้ใจพอเรารู้สึกตัวเป็นต่อไปเราก็มาเจริญสติปัฐานได้ลนะเรามีสติมีสัมผัสัญญาอย่าตอนเนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมใจไปคิดเออคิดรู้ว่าคิดเห็นไหมตอนคิดเนี่ยรู้แต่เรื่องที่คิด เรื่องที่คิดน่นเนสมมติบัญญัตนะิไม่มีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่รูปไม่ใช่นามทำวิปัสสนาไม่ได้ไปคิดอีกล้วทราบไหมเนี่ยทราบตรงเนี้ยรู้ทันอัเ น, นี้ยจิตส่งออกแล้วนะขาดความตั้งมั่นจิตที่ขาดความตั้งมั่นก็ลืมเนื้อลืมตัวรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ทำํำวิปัสสนาไม่ได้ต้องรู้ทันต้องรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น คือคือไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้ว่ากําลังคิดอยู่รู้ว่ากําลังพูดรู้ว่ากําลังดูไม่เอาเราไม่ตัดแรงเราไม่ดัดแร ง, เ ร, แรงเราไม่แทรกแรงเพราะว่าหลักปริพัฒนาเนี่ย หลักของสติปัฏฐานเนี่ยลองดูคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ตามรู้กายตามรู้ใจตามที่เขาเป็นไม่ใช่ให้เข้าเป็นแทรกแสงอยากแทกแสงคิดอยู่ทราบไหมทราบแต่เรื่องที่คิดใช่ไหมแล้วก็ ก็เพ่งอย่างนั้นก็เป็นสมถะวิธีแก้ปัญหาทางจิตใจเนี่ยมีสารพัดวิธีอย่างวิธีอย่างโรคๆมันไม่สบายกุ้มใจเปิดเพลงฟังให้เพลินๆโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนให้มันลืมก็ได้กินเหล้าให้เมาให้ลืมโลคไปเลยนี่ก็เป็นวิธีการต่างๆอีกพวกหนึ่งนั่งเพ่งเอาทำสมถะ มีวิธีการของพระพุทธเจ้ามีอีกวิธีหนึ่งคือรู้เอารู้ไปเรื่อยๆจนเห็นว่าเวทนาความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้อือมันลบากมากเวลาเวลา่เจ็น ะ, ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกตั้งแต่ยังไม่เจ็บเหมือนอย่างว่ายน้ำนะต้องหัดตั้งแต่ยังไม่ทันตกน้ำ ไม่ใช่นั่งเรือไปหล่นลงน้ำตกทะเลไปแล้ร้องให้เพื่อนช่วยสอนไ่ายน้ำเวลายังมีกำลังอยู่รีบหัดจเจริญสติไว้ก่อนะไม่ใช่ต้องป่วยแล้วค่อยไปหัดไม่ทันเพราะงั้นอย่างตอนนี้มาฝึกหัดมาเรียนไว้นี่ฉลาดนะเรียกว่าไม่ประมาทคล้ายๆเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วไม่ใช่ทุกทรมานมากๆสติแตกทนไม่ไหวนะ ก็องซ้อมไปก่อนดีแล้วที่จะหัดเห็นะ <c oughs> ไหมใจหลงลงไปแล้วทราบไหมถล่มลงไปดูมันแล้วอ่่้นะหายวยังไงที่จะให้สติอยู่อยู่ไม่ได้นะหมายถึงว่าจะทำยังไงที่จะให้สติเนี่ยมันเป็นสัมมาสติอืสัมมาสติต้องประกอบด้วยสัมมาตัวอื่นๆด้วย องมรคเนี่ยแปดตัวต้องอยู่ด้วยกันถึงจะเป็นตัวสัมมาสัมมานี้ทำยังไงองมรคทั้งแปดจะอยู่ด้วยกันก็ต้องให้มันรู้อารมณ์มันเดียวกันรู้กายหรือรู้ใจก็ได้มีสติตามรู้กายมีสติตามรู้ใจเนืองเนืองแต่จะทําให้สติเกิดเนี่ยทำไม่ได้ไม่มีใครทําสติให้เกิดได้วิธีทํา ที่สติจะเกิดบ่อยๆนี่ก็คือฝึกรู้เรื่อยๆตามรู้บ่อยๆเช่นร่างกายเราเคลื่อนไหวเราไอยรู้ทันจิตใจของเราเคลื่อนไหวเราไอยรู้ทันรู้อาการทางกายรู้อาการทางใจไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี้สติจะเกิดอัตโนมัติย่่าาววจะขับ จะไปที่จะไปที่มือหรือที่เ้าก่อนแล้วปวดแล้ก็จะ อ, อืมนะเราไม่ฝึก อ, อย่างนั้นนะเราฝึกง่ายกว่านั้นอีกอง่ายกว่านั้นนะเช่ น, นตามรู้อ่ะคําว่าตามรู้นะไม่ใช่ดักไว้ก่อนพเราชอบไปดักไว้ก่อนใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้นะกายานุปัสสนานคือกายกับคำว่าอนุปัสสนาอนุปัสสนาแปลว่าตามรู้ ตามรู้ซึ่งกายเนืองเนืองตามรู้ซึ่งเวทนาหมายถึงอย่างตามรู้เวทนาเช่นนั่งอยู่แล้วมันปวดเก็รู้ว่าปวดไม่ใช่ไปนั่งพอเริ่มนั่งก็นั่งจ้องไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่จะปวดนี่ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่ตามรู้นี่ดักไว้ก่อนนะหรือพอเริ่มนั่งก็เฝ้าจ้องจิตว่าเมื่อไหร่กิเลสจะเกิดอย่างงี้ผิดแล้วหรือพอเริ่มนั่งก็นั่งจ้องกายไว้เพ่งกายไว้ดูซิเมื่อไหร่มันอยากกระดูกกระดิกมันง่ายกว่านั้นง่ายกว่าเยอะ ทำไงจะตามรู้ได้ใครๆก็ตามรู้ได้เอาง่ายๆเลยอย่างจิตใจตอนนี้กับจิตใจตอนก่อนจะถึงวัดเนี่ยไม่เหมือนกันทราบไห ม, ออนนไมเหมออใหญ่มกว่าที่<อ>า ม, าทมา ม, มาถงที้ ท, ที่ยังไม่เคยเห็นว่างปในความรู้องเแค่เราสงเกตดูจิตของเราในแต่ละขณะแต่ละขณะนี้ไม่เหมือนกันนะ อย่างร่างกายเราขณะ น, นี้กับร่างกายเราตะกี้ก็นั่งไม่เหมือนกันเราขยับเล็กขยับน้อยไปได้ยิ่งยามบทก็เปลี่ยนทางกายก็เปลี่ยนจิตใจก็เปลี่ยนเห็นไหมจิตหนีวับแวบวับแวบจิตแต่ละขณะไม่เหมือนกันการที่เราเฝ้ารู้ว่าขณะนี้กับตะกี้ต่างกันนี่เป็นการจะฝึกเบื้องต้นต่อไปพอสติมันทัน พอร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวสติจะเกิดขึ้นเองสติที่เกิดขึ้นเองก็จะเห็นใจเห็นใจตามที่เขาเป็นโดยที่เราไม่ได้เข้าไปแทรกแซง ธรรมเนี่ยเลือกสถานที่เลือกเวลาเลือกสถานที่มิปัสนาไม่เลือกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเริ่มต้นทําใจให้สงบแล้วก็หลีกเ้นไปหารที่สงบสงบนั่งมันคนเดียวหายใจไปดูท้องฟองท้อ ง, องยุบไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวใจก็สงบแต่พอถึงขั้นทํามิปัสนามิปัสนาเราทําเมื่อตามองเห็นต า, เ ห, นาเห็นรูปผูได้ยินเสียงใจคิดนึก ตาเห็นรูปแบบนี้จิตยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันมันหูได้ยินเสียงจิตยินดียินร้ายรู้ทันใจคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็กุศลเดี๋ยวก็อกุศลใจรู้ทันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตัววิปัสสนาจริงๆนี่ทำง่ายที่สุดเลยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่มีข้อจํากัดอันเดียวเวลาทํางานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยทำไม่ได้ เราต้องจดจ่ออยู่ที่งานเราไม่ได้มาจดจ่อที่กายที่ใจอย่างบางคนเรียนหนังสือจะ อ, อ่านหนังสือให้รู้เรื่องเนี่ยต้องจดจ่ออยู่ที่หนังสือหนังสือไม่ใช่กายไม่ใช่ใจเราไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเป็นซุ้มบันจัดเพราะฉะนั้นตอนที่ต้องทํางานทางโลกโลกที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยก็จเจริญสติไม่ได้คือรู้กายรู้ใจไม่ได้แต่เวลานอกจากนั้นเนี่ยเราจะเจริญสติได้หมดเลยตั้งแต่ตื่นนอนเลย ตื่นขึ้นมาวันนี้รู้สึกสดชื่นตื่นมาวันนี้รู้สึกเครียดเครียดแต่ละวันแต่ละช่วงแต่ละเวลาไม่เหมือนกันเศร้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรืยรู้ไปถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นว่าออกายกับใจเป็นของบังคับไม่ได้ไม่คงที่กายกับใจไม่ใช่ตัวเราเวลามันอยากพูดเราก็ทราบนะมันมีแรงผลัก ม, มีแรงดันขึ้นมา แต่การปฏิบัติเราจะไม่นั่งทำอย่างขณะนี้นะทราบไหมตอนนี้ทำอะไรนอย่าไปเพ่งใส่รูปคิดทราบเลยว่าคิดอยู่คิอทราบว่าตัวเองที่ปฏิบัติถูกใช่ไหมบางอันก็ไม่ใช่ที่เราทำไม่ถูกเอ๊ะเป็นอดีตัวแล้วไป ป่วยเจ็บป่วยแล้วก็พยนยามที่จะปฏิบัติเพื่อให้มีสติไว้รองรับสถานการณ์อืมดีก็เลยโชคดีที่ได้อ่านหนังสือค่ะนิสติเนี่ยเวลาเราพอเรากำหนดเรารู้สึกแน่นๆขึ้นมาน อ, อ, อย่างงั้นไม่เอานะต้องปล่อยทิ้งเลยก็สบายๆบายเบาเบาต้องรู้ไปสบายๆแต่อย่าเบาหิวนะ เบาหงืก right, like ็ผิดอีกแต่มันมีช่วงนึ่งที่จะมีอาการแบบอะไรบางๆตในตัวก็รู้ไปเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วพักนี้ก็หายไปไหมอืมอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเห็นงเมื่อก่อนนตอนช่วงเดือนก่อนก่อนรู้สึมามันเป็นอาการของจิตทั้งหมดเลยนะ อย่าเป็ น, นึกเรื่องว่าเป็นวิปัสสนงิญ า, านวิปัสนาญาณอย่าไป น, นึกอย่างนี้วิปัสนายานไม่ได้มีสภาวะแบบนั้นนะอาการของจิตเนี่ยพอเราไปทําความสงบเข้ามาอย่างบางทีเราไปดูพองยุบบางทีดูไปด้วยบริกรรมไปด้วยขณะที่บริกรรมขณะกับขณะที่รู้ก็คนลักษณะกันขณะที่รู้สภาวะเนี่ยทําวิปัสนาขณะที่บริกรรมเป็นสมถะ ขณะที่รู้สภาวะเห็นท้องของท้องยุคเห็นกายไหวเห็นรูปมันไหวนี่เป็นมิปั ส, สนาขณะที่เพ่งลงไปใส่ท้องเอาจิตเนี่ยไหลลงไปเกาะอยู่ที่ท้องนั่นเป็นการเพ่งรูปฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเราบางทีเราพลิกไปเป็นสมถะโดยที่เราไม่ทันระวังมันพลิกได้สองแบบแบบหนึ่งคือเราไปดูตัวบัญญัติแทน เช่นเราดูท้องผองยุบแล้ว แ, ลแทนที่เราจะเห็นสภาว ะ, ะเราไปคิดเรื่องสภาวะคิดถึงสภาวะนี่เป็นเป็นบัญญัติอีกอันหนึ่งไปเพ่งเอาไปรู้ท้องผองยุบเราไปเพ่งใส่ท้องผองยุบนั่นก็จะเป็นสมถะอีกแบบนี้นพอเราทำสมถะนี้จะเกิดอาการของจิตขึ้นมาแปลกๆอาการของจิตเช่นขนลุกตัวหนัก ต, ตัวเบาตัวพองตัวใหญ่ตัวเล็กสารพัด บางทีเห็นตัวเองเป็นกระดูกเห็นเดินตรงกลมนี่เห็นมีกระดูกมาเดินด้วยหรือเห็นกระดูกเดินอยู่นี่เป็นอาการทางจิตทั้งหมดบางทีก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาไต่เรามีเข็มมาแทงเหมือนมดมาไต่เหมือนแมงสาบมาไต่นี่ก็คืออาการของจิตทั้งหมดเลยอะไรปรากฏขึ้นเนี่ยเราจับหลักเอาไว้ให้แม่นๆอะไรปรากฏขึ้นให้สัตว์แต่รู้สัตว์แต่เห็นแต อย่าไปสําคัญม่นหมายไปยินดียินร้ายกับมันรู้สบายสบายเช่นพอมันเหมือนมีเข็มมาแทงเนี่ยแล้วใจเราเกิดสงสัยว่ามันเป็นอะไรแนะ่รู้ว่ากําลังสงสัยหรือมันอืมอืออือ ืการที่เราเห็นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาได้เนี่ยมันสะท้อนอะไรอย่างหนึ่งทราบไหมสะท้อนว่าเราทำสมถะอยู่นะสิ่งที่เราทำแล้วเรานึกว่าวิปัสสนาบางทีเป็นสมถนะทำไมเป็นสมถะเพราะใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราไหลลงไปไหลลงไปเกาะท้องเนี่ยเกิดสมถะ ตรงนี <l ittle S 2> ้ไงที่ให้เพ่งผ่องยุคเนี่ยคําว่าเพ่งอ่ะการเพ่งเพ่งตัวพองตัวยุคเนี่ยนะเขาเรียกว่าอารมมนุปนิชฌานเพ่งตัวอารมณ์นะอารมมนุปนิชฌานนี่เป็นหลักของการทําสมถะนิ่ครูบาอาจารย์สอนก็ไม่ผิดหรอกเบื้องต้นก็อาจจะพาทําสมถะซะหน่อยนิ่เราก็ต้องพัฒนาขึ้นมาให้เห็นตัวสภาวะให้ได้นิ่ ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราไปเพ่งตัวอารมณ์ฟองยุบเป็นอารมณ์ที่ถูกจิตรู้เราไปเพ่งจิตจอ่อรอยู่ในที่เดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์สิ่งที่ได้คือสมถะส่วนวิปัสสนาเนี่ยมีชื่ออีกอันหนึ่งเรียกลัคนูปนิชฌานการรู้ลักษณะเช่นรู้ว่ารูปพองกับรูปยุบมันคนละรูปกันไม่เหมือนกัน สังเกตเห็นร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไอ้คนที่ท้องผ่องนั้นตายไปแล้วดับไปแล้วเหรือแต่คนที่ท้องยุบไอ้คนท้องยุบนี่ก็ดับไปอีกแล้วไอ้รูปที่ท้องยุบดับอีกแล้วไปรู้ลักษณะต้องคอยรู้อย่างนี้ก็พอไปได้แต่ถ้าไปเพ่งใส่เอาจิตเอาสติไปเกาะ อ, อยู่ที่ท้องนะก็เป็นสมสถะ ก็สสำคัญธรรมมาถึงบอกว่าเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นใจเราถลำลงไปคิดใจเราถลำลงไปเพ่งเราต้องรู้ทันเขอว่าเขาตามนี้ว่ารู้ว่าปวเขาเ่ยสอว่าให้ทำสมาธิให้มากๆให้แต่งกล้าเพื่อที่ไว้ลองลองรัดสถานะแต่ในใจตัวเองเนี่ย ไม่ใช่ถ้าเผื่เราเป็นหัวหน้าดอกก็เสียเวลาใจใจก็ชิบเราเคอีกชาติหนึ่งเราเสียอีกหนึ่งชาตินะแต่ว่าถ้าจวนตัวจริงๆจิตกระสับกระสายจริงๆริงนะเราสมมุติเราใกล้จะตายแล้วจิตกระสับกระสายจริงๆเราเจริญสติไม่ได้นะทําสมถะไว้หมายถึงว่าดีกว่าให้จิตกระสับกระสาย แต่ถ้าเรายังมีกำลังเจริญวิปัสสนาได้เราจะเจริญวิปัสสนาไว้ดีกว่าสมถะแต่ว่าถ้ารู้วันนี้ปกติเนี่ยเมื่อเราตื่นนอนเราก็จะติดตามรู้โดยที่มนปกติปัญหาอยู่ตรงสติตามรู้เนี่ยนะเราจงใจไปรู้หรือเปล่า า่าวอยู่ชนิดหนึ่งนะคนที่ฝึกมาในแนวทางนี้จะเป็นเยอะก็คือมีความจงใจที่จะเอาสตินี่จับไปที่กายตรึงความรู้สึกไว้กับกายเพราะฉะนั้นใจนี่จะทื่อๆใจจะเฉยๆมันจะดูเรียบร้อยผิดปกติ ได้อย่างนั้นไอ้นี่ไม่ใช่จิตหรอกจิตคือคนที่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างไหวขึ้นมานั่นเป็นอาการแต่ตัวดูคือตัวรู้ตัวดูตัวรู้คือดูตัวดูเนี่ยนะดูตรงเนี้ยลําบากนิดหนึ่งดูโดยจงใจกับดูโดยไม่จงใจนะถ้าเมื่อไร่ดูโดยจงใจแล้วก็เมื่อนั้นมีปัญหาแทรกค เคยมีความรู้สึกเช่นนั้นจะเขาว่าคือตั้งใจที่จะลองดูแล้วมันรู้สึกว่ามันมันเกเินไปมนทุกข์เนี่ยมันต้องทุกข์แน่นอนเก่งมันเกนินตัวมันไม่เบาอืมใช่ไอ้นั่นเป็นมิจฉาสติ <c oughs> นะมีตัณหาอยู่เบื้องหลังอธิคต า, า, าสอนไงสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ ปัญหาที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดเป็นสมุไทไจเป็นคะ ท, ทุกครั้งที่เรารู้สึกเนี่ยเราจะต้อ ง, องไม่ต้องไม่ต้องอย่าไปเจตนาไม่จาเป็นน ะ, านะนอารมณ์อะไรปรากฏก็รู้อันนั้นแหละอย่าไปตรงใจเพราะว่าจิตรู้ว่ารม์ได้ทีละอย่าง